อตตะทันทสูตรว่าด้วยความกลัวเกิดจากโทษของตนพระผู้มีพระภาคประทรรกลางหมู่ทหารของพระญาทั้งสองฝ่ายดังนี้ความกลัวเกิดจากโทษของตนเธอทั้งหลายจงมองดูคนที่มุ่งร้ายกันเราจะกล่าวความสังเวทตามที่เราได้เคยสังเวทมาแล้วเพราะเห็นหมู่สัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เหมือนฝูงปลาในบ่อที่มีน้ำน้อย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 สัตว์ถูกลูกศรใดปักติดวิ่งพลานไปทุกทิศทางเพราะถอนลูกศร น, นั้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพลานไม่ต้องล่มจมคนทั้งหลายกล่าวถึงการศึกษาเพราะการมกุณที่ผัวพันอยู่ในโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้นขนไควในการศึกษาหรือการมกุณเหล่านั้นรู้แจ้งกรามโดยประการทั้งปวงแล้วพึงศึกษาเพื่อความดับกิเลส ข, ของตน มูนีพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนองไม่มีความหลอกลวงปราศจากวาจาส่อเสียดไม่โกรธข้ามพ้นความโลภอันชั่วและความห่วงแหนได้แล้วนรชนพึงควบคุมความหลับความเกียดคร้านความย่อท้อไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมินพึงน้อมใจไปในนิพพานนรชนไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จ ไม่พึงทำความสเสน่หาในรูปพึงกำหนดรู้ความถือตัวและพึงประพฤติละเว้นจากความผลุนผลันนรชนไม่พึงยินดีสังขารเก่าไม่พึงทำความพอใจสังขารใหม่เมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศกไม่พึงติดอยู่กับกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องเราเรียกความติดใจว่าห่วงน้ำใหญ่เรียกความโลดแล่นว่าความปรารถนา เรียกอารมณ์ว่าความหวันไหวเปลือกตมคือกามเป็นสภาวะที่ลุล่วงไปได้ยากมุนีไม่ก้าวล่วงสัจจะเป็นพรามดำรงอยู่บนบกมุนีจลละสิ่งทั้งปวงได้แล้วมุนีนั้นแหละเราเรียกว่าผู้สงบมุนีนั้นแหละมีความรู้จบเวทรู้ทำแล้วก็ไม่อาศัยมุนีนั้นอยู่ในโลกโดยชอบ ย่อมไม่ไฝหาใครๆในโลกนี้ผู้ใดข้ามกรามและกิเลสเครื่องข้องที่ลุ่งได้ยากในโลกได้ผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละโมบเป็นผู้ตัดกระแสดได้ไม่มีเครื่องผูกเธอจงทํากิเลสที่เปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอถ้าเธอจักไม่เถอสังขารในส่วนท่ามกลางไว้ ก็จะเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปความยึดถือว่าเป็นของเราในนามรูปย่อมไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงและผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราผู้นั้นแลชื่อว่าย่อมไม่เสื่อมในโลกกิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นเมื่อไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมไม่เศร้าโศกว่าสิ่งของของเราไม่มีบุคคลเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจไม่วันไหวสม่ำเสมอในอายตนะทั้งปวงเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่วันไหวจึงบอกอนิสงส์นั้นอภิสังขารไรๆไม่มีแก่ผู้ไม่วันไหวรู้แจ่มแจ้งเขางดเว้นแล้วจากการปรารพอภิสังขารย่อมมองเห็นความปร่อโปรงในที่ทั้งปวง มุนีย่อมไม่กล่าวถึงตนในหมู่ชนที่เสมอกันด้อยกว่าหรือเลิด ก, กว่าเลยมุนีนั้นเป็นผู้สงบคลายความตรณีไม่ยึดถือไม่สลัดทิ้งอัตตะทันทสูตรที่ส5หจบ ส6สารีปุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้ได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์ก่อนหน้านี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุ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 เมื่อภิกษุเบื่อหน่ายใช้สอยที่นั่งอันว่างเปล่าในถ้ำแห่งภูเขาที่โคนไม้หรือที่ป่าช้าภิกษุอยู่บนที่นอนที่นั่งอันไม่มีเสียงอื้ออึงเห็นอารมณ์ที่หน้าหวาเสียวเหล่าใดแล้วไม่พึงหวั่นไหวภิกษุอื่นพึงหวั่นไหวร้องไห้อยู่บนที่นอนสูงและใหญ่ซึ่งเป็นที่มีอารมณ์ที่หน่าหวาเสียวภิกษุเมื่อจะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไป พึงปราบปรามอันตรายที่มีอยู่ในโลกบนที่นั่งที่นอนอนเงียบสงัดภิกษุอบรมตนอยู่พึงมีแนวทางแห่งถ้อยคำอย่างไรพึงมีโคจอในศาสนานี้อย่างไรพึงมีศีลและวัดอย่างไรภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไรจึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติกำจัดมลทินของตนได้ เหมือนแช่งทองขจัดมนลทินทองฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราจะบอกความผาสุกและทรรมตามสมควร น, นั้นของผู้เบื่อหน่ายใช้สอยที่นั่งที่นอนอันสงัดผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณแก่เธอตามที่รู้ภิกษุผู้เป็นนักปราดมีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบไม่พึงกลัวภัยห้ายอย่างคือเหลือบสัตย์ไตตอม สัตว์เลื้อยคลานสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สีเท้าภิกษุไม่พึงหวาดกลัวผู้ถือธรรมอื่นแม้เห็นอารมณ์อันน่าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอื่นเหล่านั้นก็ไม่พึงหวาดกลัวอันหนึ่งภิกษุผู้มั่นสแสวงหากุศลธรรมพึงปราบปรามอันตรายอื่นๆภิกษุถูกพัฒนแห่งความเจ็บป่วยและความหิวกระทบแล้วพึงอดกลั้นความหนาวหรือความร้อน ภิกษุนั้นถูกภัษะเหล่านั้นกระทบแล้วโดยอาการมากอย่างก็ไม่ให้โอกาสพึงทำความเพียรและความบากบั่นให้มั่นคงภิกษุไม่พึงขโมยไม่พึงพูดเท็จพึงแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งผู้ยังหวาดะดุงและผู้มั่นคงเมื่อใดภิกษุรู้แจ้งความขุนมัวแห่งใจเมื่อนั้นเธอพึงบรรเทาด้วยมนุิการว่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีความดำ ภิกษุไม่พึงรู้อำนาจแห่งความโกรธและความดูหมิน่นทั้งพึงขุดร่าความโกรธและความดูหมิ่นเหล่านั้นดารงอยู่แต่เมื่อจะกำราบก็พึงครอบงาสัตว์หรือสังขารที่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักโดยแท้ภิกษุผู้มีปิติในเรื่องดีงามพึงเชิดชูปัญญาพึงข่มอันตรายเหล่านั้นพึงปราความไม่ยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัด ทั้งปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญสี่ประการเราจากฉันอะไรเล่าหรือจากฉันที่ไหนเคืนี้เรานอนลำบากแล้วหนอเราจากนอนที่ไหนเล่าภิกษุผู้เป็นเสขะพืงองำจัดวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ได้อาหารและเครื่องนุ่มห่มในการแล้ว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 ภิกษุถูกผู้ตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชมทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคนลำดับต่อไปภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดทุลีห้าอย่างในโลกคือพึงปราบรามราคะในรูปราคะในเสียงราคะในกลิ่น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 รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. กามสูตร 2. คู่หัดทกะสูตร 3. ทุตถทกกะสูตร 4. สุทธถกะสูตร 5. ปรมัตกะสูตร 6. ชราสูตร 7. ติสสะเมตยะสูตร 8. ปสูระสูตร 9. มาคันธยะสูตร1ิ ปูราเพทสูตร 11. กัลหาวิวาทสูตร 12. จูลวิยูหสูตร 13. มหาวิยูหสูตร 14. ตุวตกะสูตร 15. อัตตะทันทะสูตร 16. สารีปุตตะสูตร นวักหมวดว่าด้วยทำเป็นเหตุให้ถึงฝั่งวัตถุกรถาพราหมภาวรีทรงสิบไปทูลถามปัญหาเรื่องพราหมภาวรีผู้เรียนจบมนปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีกังวลจึงเดินทางออกจากแคว้นโกศลอันรื่นรมไปสู่ทักคินาปะทะชนบทท่านอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวรีอันเป็นพรมแดนแคว้นอัสกะและแคว้น มูละกะต่อกันเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการเที่ยวพิกษาและผละไม้เพราะอาศัยพราหมนั้นนั่นเองหมู่บ้านจึงได้เจริญไพ่บู์ท่านได้ประกอบพิธีมหายันขึ้นด้วยรายได้ที่เกิดจากหมู่บ้านนั้นท่านบูชาพิธีมหายันเสร็จแล้วก็กลับเข้าอาสมเมื่อท่านกลับเข้าอาสมแล้วพราหมณ์อีกคนหนึ่งก็เดินทางมาถึงพราหมณ์ที่มาพบนั้นมีเท้าเดินเสียดสีกัน ท่าทางน่ากลัวมีฟันเคราะศีรษะกลือกกลัวด้วยสิ่งสุกรกเข้าไปหาพรามพาวรีแล้วขอซับห้าร้อยกระหาปณะนะพรามพาวรีเห็นเขานั้นแล้วก็เชิญให้นั่งแต่ถามถึงความสุขความสบายจึงกล่าวคำนี้ว่าสิ่งของที่ควรให้ซึ่งเป็นของเราทั้งหมดเราบริจาคไปแล้วพรามเอย๋ยท่านจงเชื่อเราเถิดเราไม่มีซับห้าร้อยเลย บางกะทันตะพราหม์กล่าวว่าถ้าเมื่อเราขอท่านไม่ให้สิ่งที่มีอยู่ในวันที่เจ็ดขอให้ศีรษะท่านแตกเป็นเจ็ดเสียงพราหมนั้นเป็นคนโกหกแสดงท่าทางหลอกลวงกล่าวคำทำให้น่ากลัวพราหมภาวรีได้ฟังคำพูดของเขาแล้วก็เป็นทุกข์พราหมภาวรีถูกลูกสอนคือความโศกเสียบแทงแล้วไม่บริโภคอาหารสู้พร้อม เมื่อท่านมีความคิดอย่างนั้นใจก็ไม่ยินดีในฌานเทวดาผู้ปรารถนาประโยชน์เห็นพราหมณ์พาวรีหวาดกลัวเป็นทุกข์อยู่จึงเข้าไปหาท่านแล้วกล่าวคานี้ว่าพราหมณ์ผู้ต้องการทรัพย์นั้นเป็นคนโกหกเขาไม่รู้จักศรีรษะไม่มีความรู้เรื่องศรีรษะและทำที่ทำให้ศีษะตกไปพราหมณ์ภาวรีคิดว่าเทวดาผู้เจริญนี้คงจะรู้จึงกล่าวไปว่า ข้าพเจ้าขอถามเรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปขอท่านจงบอกเรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอฟังคำตอบของท่านเทวดากล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จ ok <ète> ok ักเรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปเป็นวิสัยของพระชินเจ้าเท่านั้น พรามพาวรีกล่าวว่าเทวดาพวกใครเล่าในปฏิพีมนทนนี้รู้จักเรื่องศีรษะและทำเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปขอท่านจงบอกผู้นั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเทวดากล่าวว่าพระโอรสของเจ้าสกยะเป็นเชื้อพระวง์ของพระเจ้าโอกากะเสด็จออกพนวจากกรุงกระบิลพัททรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นผู้ก่อความสว่างสวยัย เทวดากล่าวว่าพรามเจ้าสกยะบุตรพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบรรลุกําลังแห่งอภินยาทั้งหมดแล้วมีพระจักสุในธรรมทั้งปวงทรงถึงธรรมเป็นที่สิ้นกรรมทุกอย่างทรงน้อมพระทัยไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมีพระจักสุทรงแสดงธรรม ท่านจงไปทูลถามพระองค์เถิดพระองค์จะตรัสต่อปัญหานั้นแก่ท่านได้พรามพาวรีได้ฟังคำว่าพระสัมพุทธเจ้าก็มีความเบิกบานใจมีความโศกเบาบางและได้รับปิติเปี่ยมล้นพรามพาวรีนั้นดีใจเบิกบานใจเกิดความปราบปลื้มใจจึงไต่ถามเทวดาถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและประกาศว่าพระสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกประทับอยู่ณที่ไหนจะเป็นบ้านนิคมหรือชนบทใดก็ตามพวกเราพึงไปนมัส ก, การพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดากล่าวว่าเจ้าสักรยาบุตรพระองค์นั้นทรงชนะมารมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาล้ำเลิศแผ่ไพศาลยิ่งทรงปราศจากทุระไม่มีอาสวะ ทรงเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องศีรษะและทรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปทรงเป็นผู้องค์อาจกวานรชนประทับอยู่ณมณเทียนสถานของชนชาวโกสนเคครุงสาวัติลำดับนั้นพรามพาวรีได้เรียกพรามทั้งหลายผู้เป็นสิทธ์ซึ่งเรียนจบมนมากล่าวว่ามานบทั้งหลายมันนี่เถิดเราจักบอกขอพวกเธอจงฟังคาของเรา พราหมภาวรีกล่าวว่าความที่พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดปรากฏหนึ่งในโลกนั่นหาได้ยากวันนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วปรากฏพระนามว่าพระสัมพุทธเจ้าเธอทั้งหลายจงรีบไปกรุงสาวัตถีเข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมานพทั้งหลายถามว่าข้าแต่พราหม ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายพบแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระพุทธเจ้าขอท่านจงบอกวิธีที่จะรู้จักพระองค์แก่พวกข้าพเจ้าผู้มีรู้ด้วยเถิดพราหมณ์ภาวรีกล่าวว่าก็ลักษณะมหาบุรุษ32ประการอันมาแล้วในมนต์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้แจ่มแจ้งครบถ้วนโดยลำดับว่าบุคคลใดมีลักษณะมหาบุรุษเหล่านั้นอยู่ในตัว บุคคลนั้นมีคติเป็นสองอย่างเท่านั้นมิได้มีคติเป็นที่สามเลยคือถ้าบุคคลนั้นอยู่ครองเรือนจะพึงครอบครองแผ่นดินนี้ยอ่อมปกครองโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชียาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่ถ้าบุคคลนั้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมมีกิเลสดูดเครื่องปิดบังอันเปิดแล้ว พวกเธอจงทูลถามด้วยใจเท่านั้นถึงชาติโคตลักษณะมนสิทธิคนอื่นๆศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปถ้าบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีปกติเห็นธรรมหาเครื่องกลางกั้นมิได้เมื่อพวกเธอถามปัญหาด้วยใจแล้วก็จากทรงวิสัชนาด้วยพระวาจาครั้นได้ฟังคำของพรามภาวรีแล้วพรามณ์หคนผู้เป็นสิทธ คือหิตะ 2. ติสะเมตยะ 3. ปุณกกะ 4. เมตคู 5. โทตกะ 6. อุปศีวะ 7. นันทะ 8. เหมะกะ 9. โตเทยะ 10. กัปปะ 11. ชัตุกันนิผู้เป็นบัณฑิต 12. พัทราวุธ 13. อุไทย 14. โปสาละ5โมคราชผู้มีปัญญา 16. ปิงคียะผู้เป็นมหาเรือศีพราหม์ผู้เป็นศิษย์ิ์16คนนั้นแต่ละคนเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะมีชื่อปรากฏแก่ชาวโลกทั่วไปเป็นผู้บำเพ็ญฌานยินดีในฌานเป็นผู้ทรงปัญญาปราดเปลื่องเคยอบรมวาสนาแต่ชาติปางก่อนทั้งนั้น ทุกคนกลาวชดาและครองหนังเสืออภิวาพรามภาวรีและทำประทักษิณแล้วต่างออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศอุดรสู่สถานที่เป็นที่ตั้งแคว้นอุลกะเมืองมาฮิสติในการนั้นกรุงอุเชนีเมืองโคนทะเมืองเวทิสาเมืองวั น, นะสวะหะยะกรุงโกสัมพีเมืองสาเกตกรุงสาวัตถีอันอุดม เมืองเสตัพยะกรุงกบิลพัทกรุงกุสินารากรุงปาวาโพคณครกรุงเวสาลีแควนมคตและปาสานกะเจดีอันรื่นรมน่ารื่นเริงใจพรามเหล่านั้นรีบขึ้นสู่ภูเขาเหมือนคนกระหายน้ำรีบหาน้ำเย็นเดิมเหมือนพ่อค้าได้ลาบใหญ่มาครองและเหมือนคนถูกความร้อนแผดเผารีบหาร่มเงาฉะนั้น สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ประหนึ่งว่าราชสีบรรเลอศีหนาฏอยู่ในป่าอาชิตามานพได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นดุจ ด, ดวงอาทิตย์อันมีรัศมีเจิดจ้าและดุจ ด, ดวงจันทร์เต็มดวงในวันเพนฉนั้นลำดับนั้นอาชิตามานพยืนอยู่หน้าที่สมควร เริ่นเริงใจเพราะได้เห็นอนุพยัญชนะบริบูรณ์ในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคจึงได้ทูลถามปัญหาด้วยใจว่าอาชิตตมานพทูลถามปัญหาทางใจว่าขอพระองค์ตรัสระบุให้แน่ชัดถึงชาติโครพร้อมด้วยลักษณะขอจงตรัสบอกความสำเร็จในมนทั้งหลายว่าพรามสอนมานพเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พรามนั้นมีอายุร2 0ยสิปีชื่อภาวรีโดยโคดมีลักษณะสมอย่างอยู่ในตัวเป็นผู้เรียนจบไตรเพศพรามภาวรีนั้นถึงความสำเร็จในลักษณะมนและประวัติศาสตร์พร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์และเกตตพศาสตร์ชื่อว่าถึงความสำเร็จในหลักธรรมของตนกล่าวสอนมนแก่ศิษย์จานวนห้าร้อคนอจิตามานบทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกวา น, นรชนผู้ตัดตัณหาเสียได้ขอพระองค์จงทรงประกาศความเด่นชัดแห่งลักษณะของพรามภาวรีอย่าให้ผู้ข้าพระองค์มีความสงสัยเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามนั้นย่อมใช้ลิ้นปิดหน้าได้มีอุณาโลมอยู่ระหว่างคิ้วมีคุยหะฐานซ่อนอยู่ในฝักมานพท่านจงรู้อย่างนี้เถิด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 และทำเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ตรัสตอบปัญหานั้นกำจัดความสงสัยของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเธอจงรู้เถิดว่าอาวิชชาเป็นศีรษะวิชาที่ประกอบด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะและวิริยะเป็นธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไป ลำดับนั้นอาชิตะมานกมีความปราบปลื้มใจมากล้นสนับสนุนแล้วทำหนังเสือฉเฉวียงบาสบสศพศีรษะลงแท่พระยุคลบาทข้าแต่พระองค์ผู้นิรุขุผู้มีพระจักสุพราหมภาวรีพร้อมด้วยเหล่าสิทธิมีใจเบิกบานดีใจขอถวายอภิวาพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพราหมภาวรีพร้อมด้วยเหล่าสิทธิจงมีความสุข และแม้เธอเองก็ขอให้มีความสุขมีชีวิตอยู่ยืนนานเถิดมานพเราให้โอกาสแก่พรามพาวรีแก่เธอและมานบทั้งหมดถามข้อสงสัยทั้งปวงพวกเธอปรารถนาจะถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จงถามเถิดอจิตามานพได้รับโอกาสจากพระสัมพุทธเจ้าแล้วนางประคองอัญเชลีทูลถามปฐมปัญหากับพระตถาคตณปาสานกะเจดีนั้น วัตถุกระถาจบหนึ่งอชิตะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอชิตะมานพอชิตะมานพทูลถามดังนี้โลก ถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้เพราะอะไรเล่าโลกจึงไม่สดใสขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนี้ไว้อะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตะโลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่สดใสเพราะความตรณีและความประมาทเราเรือกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นอชิตะมานบทุญถามดังนี้กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเป็นเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาจิตะกระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้ เราเกล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสะทั้งหลายปัญญาบิด ก, กันกระแสะเหล่านั้นได้อจิตมามนบุลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์ปัญญาสตินามและรูปนี้ดับที่ไหนข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอจิตเธอได้ถามปัญหานั้นใด เราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอนามและรูปดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดนามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับอธิตามานพทุนถามดังนี้พระอรหันตคีนาศเหล่าใดผู้มีธรรมที่พิจารณาแล้วและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุข์ข้าพระองค์ทุลถามแล้ว ขอพระองค์ผู้มีพระปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีนาศและพระเสขขเหล่านั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมท่องปวงมีสติดำรงอยู่อจิตตะมานวกะปัญหาที่หนึ่งจบสอง ติสะมเมตยมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของติสะมเมตยมานพติสะมเมตยามานพทูลถามดังนี้ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ความวอนไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษ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 สปุณญกะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของปุณญกะมานพปุณญกะมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหวมีปกติเห็นมูลฤรืีมนุษย์กริย์และพราหมณ์จํานวนมากในโลกนี้อาศัยอะไรจึงพากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลาย ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์ตรัสตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณกกะเรสีมนุษย์ชะปัสตร์และพรามจำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายปุณกกะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อาศัยชราจึงพากันบูชายัญ ปุณกกะมานพทูลถามดังนี้เรษีมนุษชะกษัตริย์และพราหมณ์จํานวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วในการบูชายัญเด็กข้ามพ้นชาติและชราบ้างไหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหานั้น ขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุญ ก, กะชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายันเพราะอาศัยลากจึงมุ่งหวังกามเรากล่าวว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันเป็นผู้กำนัดยินดีในภพข้ามพ้นชาติและชราไปไม่ได้ ปุลน ก, กะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันข้ามพ้นชาติและชาราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามชาติและชาราได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์ โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข่าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณกะเรากล่าวว่าบุคคลใดไม่มีความวั่นวหวในโลกไหนๆเพระาะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชราได้แล้ว ปุกกะมานวกะปัญหาที่สจบ 4. เมตคูมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของเมตคูมานบเมตคูมานบทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาขอพระองค์โปรดตัดต่อปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวท ทรงอบรมพระองค์แล้วทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกทุกเหล่านี้เกิดมาจากที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตขูเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้วเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่รู้ทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกนี้ล้วนเกิดมาแต่อุปาิเป็นต้นเหตุ ผู้ดแลไม่มีปัญญาก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเคลาย่อมเข้าถึงทุกบ่อยเพราะฉะนั้นบุคคลรู้ชัดอยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกว่ามีชาติเป็นแดนเกิดไม่ควรก่ออุปธิเมตคูมานกทูลถามดังนี้พวกข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาใดกับพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบปัญหานั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาอื่นต่อไปขอพระองค์โปรดตรัสต่อปัญหานั้นด้วยเถิดนักปราชทั้งหลายจะข้ามโอคะชาติชราโศกและปริเทวะได้อย่างไรน้อพระองค์ผู้เป็นพระมุนีขอโปรดตรัสต่อปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตคุ บุคคลรู้ชัดทมใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้เราจะกล่าวธรรมที่ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอเมตคาคูมานกกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่า วิสัธิกาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตคูเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอจงบรรเทาความเพลิดเพลินความถือมั่นและวิญญาณในธรรมเหล่านั้นเสียไม่พึงตั้งอยู่ในภพภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทรู้แจ้งและความยึดถือว่าเป็นของเรา แล้วเที่ยวไปอยู่พึงละชาติชราโสกะและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอนเมตคูมานพกราบทูนดังนี้ข้าพระองค์ชอบใจพระวาจานี้ของพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคดมทำที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงละทุกขได้แล้วเป็นแน่ เพราะธรรมนี้พระองค์ทรงรู้ชัดแล้วพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดย่อนแม้ชนเหล่านั้นก็พึงละทุกข์ได้เป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์มาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมัสการพระองค์โดยหวังว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดยอนบ้างพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ดังนี้ บุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพรามผู้จบเวทไม่มีเครื่องกังวลไม่ข้องในกามาพบข้ามโอคะได้แล้วโดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดุดตะปูตรึงใจหมดความสงสัยแล้วนรชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทสลัดกิเลสเครื่องค้องในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้แล้วนรชนนั้นเป็นผู้ปราศจากตัณหาแล้วไม่มีทุกข ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นข้ามพ้นชาติและชราได้แล้วเมตคูมานวกะปัญหาที่สี่จบ 5. โทตกะมานวกะปัญหา ว่าด้วยปัญหาของโทตกะมานพโทตกะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระวาจาของพระองค์อย่างยิ่งบุคคลฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว ศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะถ้าเช่นนั้นเธอผู้มีปัญญารักษาตนมีสติจงทำความเพียรในที่นี้แหละบุคคลได้ฟังเสียงจากที่นี้แล้วพึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนโทตกะมานบุญถามดังนี้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล เป็นพราหมเสดจจาิกอยู่ในเทวโลกและมนุษยีโลกข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจกักขูเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอนามสการพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สักกะขอพระองค์โปรดปลดเรื่องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้โธตกะเราไม่สามารถปลดเรื่องใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้ แต่เธอเมื่อรู้แจ้งทำอันประเสริฐก็จะข้ามโอคะนี้ได้เองด้วยประการฉนี้โทตกะมานบกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวกธรรมที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้และโดยวิธีที่ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลเป็นผู้ไม่อาศัยเที่ยวไปอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะบุคคลผู้รู้ชัดความสงบได้แล้วมีสติที่โอปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัติกาในโลกได้เราจะกล่าวความสงบนั้นที่เรารู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอโทตกะมานบกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอรู้ชัดธรรมนั้นว่าเป็นเครื่องคล่องในโลกแล้ว อย่าได้ก่อปัญหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่เลยโทตกะมานวกะปัญหาที่หจบ 6. อุปสีวะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอุปศีวะมานพอุปสีวะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ผู้เดียวไม่ได้อาศัยใครๆหรือสิ่งใดๆ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 จงละกามทั้งหลายเป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายพิจารณาดูความสิ้นตันหาทั้งคืนทั้งวันอุปศีวมานพทูลถามดังนี้บุคคลใดเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งปวงละสมาบัติอื่นอาศัยอาคินจัญญาจตนาสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดํารงอยู่ ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสิวะบุคคลใดเป็นผู้ปราศจากราคะเนกาทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยอากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้ อุปสีวามานบทุนถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุถ้าบุคคลนั้นไม่วันไหวดํารงอยู่ในพรหมโลกนั้นนานนับปีไม่ได้ไซบุคคลนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วมีความสงบเย็นอยู่ในพรหมโลกนั้นนั่นแลหรือหรือว่าวิญญาณของบุคคลนั้นจะพึงจุติอีกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะ เปลวไฟถูกกําลังลมพัดไปย่อมดับกําหนดไม่ได้ฉันใดมุนีพ้นแล้วจากนามกายย่อมดับไปกําหนดไม่ได้ฉันนั้นท่านอุปสีวะทูลถามดังนี้มุนีนั้นถึงความสลายไปหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่แตกทําลายเพราะมีความแน่แท้พระองค์ผู้เป็นพระมุนีขอโปรดตัดต่อปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจมแจ้งด้วยเถิด เพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงรู้ชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะมุนีพูดถึงความสลายไปย่อมไม่มีอะไรเป็นประมาณชนทั้งหลายเพึงว่ากล่าวมุนีนั้นดื้อกิเลสใดกิเลสนั้นย่อมไม่มีแก่มุนีนั้นเพราะเมื่อมุนีนั้นถอนธรรมทั้งปวงได้เด็ดขาดแล้วแม้คันลองแห่งวาทะทั้งปวงท่านก็ถอนได้เด็ดขาดแล้ว อุปสีวานวกะปัญหาที่หกจบ